พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรู้แล้วนํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรานี้ไม่ได้เป็นธรรมที่ลึกลับซับซ้อนแต่อย่างใดเป็นธรรมที่พวกเราสามารถรู้เห็นได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้า ทรงรู้ทรงเห็นถ้าพวกเราปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและได้นําเอามาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะได้รู้ได้เห็นและได้เอามาเป็นสมบัติของพวกเราเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมระดับไหนก็ตามจะเป็นโลกิยะธรรมหรือเป็นโลกุตระธรรมก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะปฏิบัติถึงได้โลกิยาธรรมนี้ก็หมายถึงธรรมที่ยังอยู่ในวัฏะสงสารธรรมที่ยังมีการ เจริญจะมีการเจริญมีการเสื่อมทำที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ส่วนโลกุตรธรรมนี้เป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกียธรรมอยู่เหนือวัตะสงสารอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมที่จะเจริญขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้นสูงสุดการที่จะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้คือปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็น ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและเราจะได้ครอบครองทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงครอบครอง mm. พราะการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ mm. เป็นเหมือนกับการ mm. เปิดตาใน mm. พวกเราที้มีตาอยู่สองชนิดด้วยกันตานอก และตาในตานอกนี้ก็คือตาของร่างกายตาในนี้คือตาของใจตอนนี้เรามีแต่ตานอกเราลืมแต่ตานอกแต่ตาในนี้เรายังไม่ได้ลืมขึ้นมายังปิดอยู่ถ้าเราได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วต่อไปตาในก็จะเปิดขึ้นมา พอตาในเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นธรรมต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานอกได้เช่นนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการเข้าสู่กระแสของพระนิพพานคือเข้าสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง เป็นสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยตาหน่อยที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเราอยากที่จะได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มาเป็นสมบัติพวกเราก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเท่านั้น ถึงจะสามารถที่จะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สรงได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สรงรู้สรงเห็นเพราะพระพุทธเจ้าก็สรงนำเนวทานศีลภาวนามาเช่นเดียวกันนั่นเองทานศีลภาวนานี้เป็นการเปิดตาในพอเราเปิดตาในเราก็จะเห็น สิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเราเราจะรู้จักตัวเราเห็นตัวเราเห็นว่าเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเห็นว่าเรานี้คือผู้รู้ผู้คิดแล้วเราก็จะเห็นพระอริยสัจสี่เราจะเห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากต่างๆ และการหยุดของความทุกข์คือการดับของความทุกข์ก็เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนานี่เองดังนั้นในเบื้องต้นในขณะที่เรายังมองไม่เห็นสิ่งต่างๆด้วยตาานของเราสิ่งที่เราควรจะมีควรจะทำก็คือ มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสารุปของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านเป็นผู้ที่ได้เปิดตาในขึ้นมาแล้วท่านเป็นผู้ที่เห็นอะไรที่เรายังไม่เห็นกันถ้าเปรียบเหมือนกับตานอกก็เหมือนคนตาบอดกับคนตาดี คนตาบอด น, นี้จะไม่สามารถมองเห็นอะไรต่างๆที่คนตาดีเห็นได้เลยเวลาไปไหนมาไหนต้องอาศัยคนตาดีพาไปนำไปถ้าไม่มีคนตาดีนำไปไก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองนอกจากว่าจะรักษาตาให้หายจนสามารถเห็นได้ ชัดเจนเหมือนคนตาดีแล้วก็ไม่ต้องอาศัยคนตาดีนําทางพาไปไหนมาไหนฉันใดตาในของพวกเราก็เช่นเดียวกันกับตานอกตานนี้ตานอตาในของพวกเรามันมืดมันมันปิดมันไม่ได้เปิดเราก็ต้องเชื่อคนตาดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ทจสอนวิธีให้เราเปิดตาในใยขึ้นมาพอเราเปิดตานายขึ้นมาได้แล้วเราเห็นอะไรเหมือนกับคนที่เห็นคนที่มีตาในเปิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปคือเราไม่ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นําทางเราต่อไปเพราะถ้าเราเห็นด้วย ตาของเราเองแล้วเราจะไปรบกวนผู้อื่นเขาทำไมเขาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับเราให้เขาไปช่วยคนที่ยังไม่ได้หลืมตาขึ้นไม่ดีกว่าเลยนั่นแหละผู้ใดถ้าได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาในเบื้องต้นด้วยศรัทธาความเชื่อ ท, ทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผล แต่เชื่อว่าปฏิบัติแล้วจะต้องได้ผลเพราะว่ามีผู้ที่เขาเชื่อและได้ปฏิบัติจนได้ผลแล้วนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายในใจได้ด้วยตนเองด้วยตาของตนเองด้วยตาในของตนเองก็จำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่ เปิดตาในแล้วผู้ที่เห็นอะไรต่างๆแล้วผู้ที่เห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วเห็นการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเห็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเห็นอริยสัจสี่เห็นมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วคือตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไป ท่านสามารถที่จะเดินทางหรือปฏิบัติไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ด้วยตนเองไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้นําทางแต่ถ้ามีผู้นําทางหรือมีผู้ที่ให้คําปรึกษาการเดินทางก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าการเดินทางด้วยตามลําพังแต่สามารถที่จะ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วคือไปถึงพระนิพพานได้แล้วคําว่าโสดาบันนี้ก็มาจากคําว่าโสตะโสตะเป็นภาษาบาลีที่แปลว่ากระแสโสดาบันก็คือผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสกระแสก็คือกระแสสู่พระนิพพานนี่เองผู้ที่ได้ลืมตาในแล้วเบิกเปิดตาในขึ้นแล้ว รู้แล้วว่าทางสู่พระนิพพานนั้นไปอย่างไรก็จะปฏิบัติไปได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้นำทางอีกต่อไปละสมมติว่าถ้าตายไปก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเวลากลับมาเกิดใหม่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระวสดาบันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหากับพระโสดาบันท่านก็จะกลับมาปฏิบัติธรรมของท่านต่อไปปฏิบัติทานศีลภาวนาของท่านต่อไปแล้วก็จะก้าวขึ้นไปตามขั้นต่างๆตามขั้นของมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งจนในที่สุดก็จะได้บรรลุพระนิพพาน เพราะท่านมีตาในแล้วท่านเปิดตาในแล้วท่านไม่มืดบอดแล้วท่านเห็นหมดแล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ท่านต้องติดอยู่กับวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและอะไรเป็นเหตุที่จะตัดการผูกติดอยู่กับวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดท่านรู้แล้ววิธีการต่างๆ เพียงแต่ว่าท่านยังทำไม่สาเร็จก็ต้องมากลับมาทำต่ออย่างพระโสดาบันนี้ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นพระสกิดาคามีท่านก็จะกลับมาเกิดเพียงอีกชาติเดียวท่านก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ ถ้าไป ข, ขึ้นไปถึงขั้นที่สามได้คือขั้นของพระ อ, อนาคามีท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปคำว่าอนาคามีก็แปลว่าผู้ไม่กลับมานั่นเองไม่กลับมาเกิดในกามโลกไม่กลับมาเกิดในกามาภพภพของมนุษย์และเทวดาและสัตว์ที่เสพการทั้งหลายที่มีแบ่งเป็นสองส่วน ที่เรียกว่าสุขคติกับทุกคติสุขคติก็คือพบของมนุษย์และของเทวดาแล้วก็ทุกคติก็คือที่เกิดของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสูตรกายและสัตว์นรกท่านจะไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไป ถ้าท่านตายก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเออบรบรลุเป็นพาาระอรหันต์ท่านก็จะไปเกิดในสวรรค์พรหมโลกที่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันถ้าท่านสามารถปฏิบัติถึงขั้นพระอรหันต์ได้ท่านก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนต่อไปก็จะอยู่ที่พระนิพพานถ้าเป็นพระโสด อนาคามีแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกท่านก็จะปฏิบัติทำต่อไปภาวนาต่อไปจนถึงขั้นพระนิพพานได้เลยเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายทมขั้นสูงนี้ทมขั้นของพระอนาคามีที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิด เป็นมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปนี่คือธรรมระดับโลกุตรธรรมที่ต้องปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระวิขั้นวิปัสสนาถ้าปฏิบัติถึงขั้นสมถะภาวนาคือขั้นสมาธิขั้นฌาน อันนี้ก็จะยังอยู่ในโลกียธรรมยังอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเยอะเพราะพลังสมาธินี้ยังเป็นอนิจจังยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรผู้ใดมีสติเจริญสติจนสามารถทําใจให้สงบเข้าสู่ระดับฌานไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌาน ก็จะต้องเสื่อมลงมาเพราะพลังของสติที่ได้เจริญไว้นั้นจะค่อยๆหมดไปและกิเลสตัณหาผู้ที่คอยผลักดันให้ให้จิตนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะดึงจิตให้ลงมาสู่สวรรค์ชั้นต่ำต่อไปจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะ ลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วหลักจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนาใหม่มาเจริญสมถะภาวนาไปนี่คือการปฏิบัติในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุวิปัสสนาภาวนามาตัดสรุพระอริยสัจสีมาตัดสรุโลกุตระธรรมคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะไม่มีใครรู้เรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ดุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะปฏิบัติได้เพียงแค่ระดับสมถภาวนาทำใจให้สงบเป็นฌานใจก็จะอยู่ในระดับพรหมโลกเวลาตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกแล้วพอกำลังของธรรมของสมาธิของฌานเสื่อมลงไปก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพที่เป็นผลของการทำทานและรักษาศีล ผู้ใดทำทานและรักษาศีลได้ตายไปก็จะไปเกิดสวรรค์ชั้นเทวโลกถ้าสามารถบำเพ็ญสมถะภาวนาได้ก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมมโลกแต่เป็นสวรรค์ที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคื อ, อยังจะต้องมีการเสื่อมหมดไปได้ อยู่สวรรค์ชั้นพรมได้ระยะหนึ่งก็จะเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกจากสวรรค์ชั้นเทวโลกก็กลับมาสู่โลกของมนุษย์แล้วก็มาบำเพ็ญใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็อยู่ที่ว่ามีสันดาลนลุ ني สัยที่ชอบทำทานนักษาศีลภาวนา ติดตัวมามากน้อยเพียงไรถ้ามีมากก็จะกลับมาทำต่อเลยทําทานรักษาศีลภาวนาทุกครั้งที่มีโอกาสถ้ามีไม่มากก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าได้อยู่กับครอบครัวหรือสังคมที่มีการทําทานมีการรักษาศีลภาวนาเป็นตัวกระตุ้นก็จะบำเพ็ญไปได้อย่างง่ายดาย ถ้าไปอยู่ในสังคมของผู้ที่ไม่มีการทำทานรักษาศีลภาวนาก็อาจจะถูกสังคมนั้นดูดให้ไปทำตามสังคมนั้นก็ได้เช่นไม่ทาทานไม่รักษาศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักษาประพฤติผิดประเวณีเสพโุรายาเมาโกหกหลอกลวงถ้าไปติดอยู่กับในสังคมอย่างนั้นแล้วทำตามสังคมนั้น จิตก็จะตกต่ำลงไปจากพบของมนุษย์ระดับของมนุษย์ก็จะเลื่อนลงไปสู่ระดับของอบายคือลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำไว้ว่ามีมากมีน้อยและด้วยเหตุผลกลไกอันใดดังนั้นเวลาที่ ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงมีปัจจัยอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็นิสัยเดิมที่เราได้ฝึกฝนเอาไว้สองสังคมที่เราอยู่ร่วมด้วยจะเป็นตัวที่จะเสริมหรือจะถ่วงการบำเพ็ญของเราได้ถ้าเรามีนิสัยน้อยในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วมาอยู่ในสังคมที่ ไม่มีการบาเพ็ญทานศีลภาวนาโอกาสที่เราจะถูกเขาฉุดลากลงไปสู่ที่ต่านี้ย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่าถ้าเรามีนิสัยที่หนักแน่นอยู่กับการทําทานรักษาศีลและภาวนาถึงแม้ว่าจะอยู่ในสังคมที่เขาไม่ทําทานรักษาศีลภาวนาแต่เราก็จะไม่คล้อยตามเขาไป เรามีโอกาสเราก็จะทําทางของเรารักษาศีลของเราภาวนาของเราไปเช่นเวลาเรามาเกิดในครอบครัวครอบครัวของเรานี้แต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านนี้ก็ไม่เหมือนกันบางบ้านก็ชอบทํำบุญใส่บาตบางบ้านก็ชอบเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็น ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เรานี้บำเพ็ญต่อหรือไม่บำเพ็ญต่อดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้สิ่งที่เราควรที่จะบำเพ็ญให้มากก็คือทานศีลภาวนาและบำเพ็ญให้มันมันเป็นนิสัยถ้ามันเป็นนิสัยถ้ามันฝังเล็กลงไปแล้ว ต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะอยากจะทําทานรักษาศีลภาวนาไปถ้าเรามีนิ ส, สัยอย่างนี้อยู่แล้วการการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราก็จะอยู่ในสุขติจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาได้พอเราได้ยินได้ฟัง พอทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้เลยอย่างพระอัญญานโกลทัญยะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ทั้งหพอได้ยินได้ฟังพระอรำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกทรงได้ได้ยินพระอริยสัจสี่ได้ยินมรรคแดได้ยินตายรัก อันิจ้องทุกข์ังอนัตตาก็สามารถเปิดตาในขึ้นมาไดา้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมต้องดับไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างถึงใจไม่ได้เห็นแบบพวกเราเห็นกันพวกเราก็เห็นพวกเราเห็นแล้วเห็นแบบหวาดกลัวกัน เห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายนีเพอคิดถึงคำว่าตายนี้ใจก็หดหูลงไปแต่พระอนิญญาโกนทญญะไม่ได้เห็นแบบนั้นท่านเห็นด้วยใจที่เป็นอุเบกขาใจเป็นกลางใจไม่หวั่นไหวใจยอมรับกับความจริงได้ว่ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านก็ปล่อยวางร่างกายได้ ไม่ยึดไม่ถือร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือผู้ที่มีบุญบารมีเก่ามีมีธรรมเก่ามีนิสัยใฝ่ธรรมมีนิสัยชอบปฏิบัติธรรมใจจะมีธรรรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้มาเกิดในภพที่มีพระพุทธศาสนา ก็จะสามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้กันอย่างเต็มที่บางท่านฟังธรรมครั้งแรกหนเดียวก็บรรลุได้ขอบวชได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บางคนบางท่านฟังแล้วยังไม่บรรลุแต่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็ ปฏิบัติไปตามกำลังบางท่านก็เริ่มที่การทําทานอย่างสม่ำเสมอทำทานเป็นนิสัยไม่ได้ทำทานแบบขอไปทีทำทานตามการตามเวลาเช่นวันเกิดก็ทำวันขึ้นปีใหม่ก็ทำต้องมีเหตุการ์มีวันสำคัญสำคัญถึงจะทำแต่ถ้าปกติแล้วจะไม่ทำ ต้องทำอยู่ทุกวันและไม่ต้องอยู่เฉพาะทำกับวัดกับวาเท่านั้นควรจะทำกับสัพเพสัตตาอเวราหนตุทำกับสัพพสัตทั้งหลายมีโอกาสที่ไหนเวลาใดมีใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ทำไปเลยนี่คือเรียกว่าทำทานแบบเป็นนิสัย ไม่ได้ทําทานเป็นธรรมเนียมถ้าทําทานเป็นธรรมเนียมนี้มันจะไม่ฝังติดอยู่กับใจมันจะต้องรอโอกาสถึงจะทําได้แต่ถ้าทําด้วยจิตที่มีความเมตตากรุณาเห็นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าพอมีความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือยินดีที่จะสละประโยชน์สุขของตน ให้แก่ผู้อื่นไปนี่คือเวลาที่ได้มาสัมผัสกับพระพุทธศาสนาบางท่านก็จะทําทานเป็นนิสัยไปบางท่านก็จะรักษาศีลเป็นนิสัยไปรักษาศีลห้ารักษาศีลแปบางท่านก็ภาวนาไปเป็นนิสยัยอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องนั่งสมาธิเช้าเย็นเป็นอย่างน้อยก่อนนอนก็นั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบพิจารณาทำอนิจจังทุกขังอนัตตาอาริยสัจสี่พิจารณากฎแห่งกรรมอะไรต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอน mm. เพื่อเป็นการบ่มจิตใจให้มีนิจใจให้มีนิสัยฝ่ายฝ่ายบุญฝ่ายธรรมทำทั้งเชา้าทั้งเย็นไปหลังท่านก็ อาจจะขอออกจากเพศค า, ารวาสเข้าสู่เพศของนักบวชก็มีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามีนิสัยปลูกฝังมาในทางธรรมในทางบุญทางกุศลพอได้สัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี้ก็จะเป็นเหมือนปลาได้น้ำ ตาที่มันอยู่บนบกนี่มันดิ้นไม่ได้ไหว้ไม่ได้พอมันเจอน้ำนี่มันจะไหว่อย่างดีอกดีใจผู้ที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายธรรมที่มีนิสัยอยู่กับบุญกับกุศลเวลาได้สัมผัสกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดความซาบซึ้งเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามแล้วพอได้ปฏิบัติไปแล้ว ผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงผลขั้นสูงสุดอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้บรรลุผลขั้นสูงสุดมาแล้วเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้บรรลุอริยมรรคอริยผลกันตามลำดับ เป็นจำนวนมากเพียงในระยะเวลาเจเดือนแรกของการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8จนถึงวันเพ็ญเดือนสรวมเวลาเป็น7เดือนด้วยกันก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวุก1250รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆ โดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนมาด้วยความทราบซึ้งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าพระคุณอะไรทั้งหมดแม้แต่พระคุณของบิดามารดาก็เปรียบเทียบกับพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้พระคุณของบิดามารดา ก็มีเพียงแต่ให้ชีวิตคือร่างกายนี้ให้เราได้มาบำเพญ็ญได้มาทำอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทำดีดก็ได้ทำไม่ดีก็ได้แต่พระคุณของพระพุทธเจ้านี้ทรงมอบทำที่ทรงตรัสรู้เห็นคือโลกุตตรธรรมมรสีผลสีนิพานนึ่างนี้มาให้แก่ พวกเราที่จะสามารถปลดเปลื้องพวกเราให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระคุณของพระพุทธเจ้าจึงยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของใครทั้งหมดในโลกนี้าาท้าวอรหันท่านจึงเข้ามากราบด้วยความน้ำลึกถึงคิดถึงอยากจะกราบพระพุทธเจ้า มีอย่างน้อยหนึ่รูปก่อนหน้านี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าไดจะทรงประกาศพระธรรมคําสอนไม่มีพระอาหารหันตสาวกแม้เพียงรูปเดียวมีแต่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ได้ทรงตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกสองเดือนก่อนที่จะประกาศพระธรรมคําสอน ก่อนหน้านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรตวไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกนี้เลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองหรือรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามก็ยังไม่มีเพราะต้องมีพระพุทธเจ้าก่อน นี่คือความสําคัญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเรานี้เป็นนี่บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างที่จะหาคําพูดไม่ได้หาคําประมาณไม่ได้ว่าเป็นนี่มากน้อยเพียงไรเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีก อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่เราได้มาพบกันในพบนี้ในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบผู้ํำที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับผู้ที่มีตาในที่เปิดแล้ว และเป็นผู้ที่จะสอนให้เราเปิดตาในของเราขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เห็นอะไรต่างๆและสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่ดีที่วิเศษมาครอบครองเป็นสมบัติของพวกเราได้ชาตินี้ถึงถือว่าเป็นชาติที่วิเศษเป็นมหาบุญมหากุศล ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้มีบุญก่าวมาสนับสนุนส่งให้พวกเรามันเข้าหาพระพุทธศาสนากันเข้าหาพระธรรมคําสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วนําเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติตามกําลังของศรัทธา ของสติปัญญาวิริยะความหมั่นเพียรถ้ามีศรัทธามากมีสติปัญญามากมีวิริยะความหมั่นเพียรมากอุตสหาหะมากก็จะปฏิบัติมากปฏิบัติมากผลก็จะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นเร็วถ้ามีศรัทธาน้อยมีเสียติปัญญาน้อยมีวิริยะความอุตสหาหะพยายามน้อย ผลก็จะเกิดขึ้นน้อยเกิดขึ้นช้าเกิดขึ้นยากดังนั้นถ้าเรายังมีศรัทธาไม่มากไม่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรไม่มากมีสติมีปัญญาไม่มากเราก็ต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาให้มากวิธีสร้างสติปัญญาศรัทธาวิริยะนี้ก็อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อยู่การอยู่เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีผู้ที่ได้เปิดตาในขึ้นมาแล้วถ้าได้อยู่ได้ฟังคำสอนของพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายจะสร้างศรัทธาขึ้นมาให้จะทำให้เกิดมีวิริยะความอุตสาหะจะทำให้มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ การได้อยู่ใกล้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราต้องการที่จะเสริมศรัทธาวิรยิยสติปัญญาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆควรอยู่ใกล้ถ้าไม่อยู่ใกล้ก็ต้องควรเข้าหาบ่อยๆถ้ายังมีความจำเป็นที่ยังต้องอยู่ห่างพอมีเวลาก็ควรที่จะเข้าหา สมัยนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าหาตัวเลยเพราะมีตัวแทนอยู่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดในบ้านเราก็มีหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆมีซีดีมีเทปอะไรต่างๆที่เราสามารถเปิดฟังได้ดูได้แม้แต่โทรทัศน์นี้ก็มีช่องธรรมะที่เราสามารถเปิดดูเปิดฟังได้ ถ้าเรายังไม่สนใจชอบฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องบังคับเท่านั้นถึงจะทําได้เหมือนกับการรับประทานยาไม่มีใครชอบรับประทานยาแต่ก็ต้องบังคับตัวเองให้รับประทานยาเพราะเห็นคุณค่าของการรับประทานยาว่ารับประทานยาแล้วจะทําให้ร่างกายหายเจ็บหายไขย้ทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้ร่างกายมีอายุยืนยาวนานชันใดเราก็ต้องคิดถึงการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหมือนการรับประทานยารับประทานยาเพื่อที่จะได้มีกําลังใจที่จะออกปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะให้เกิดศรัทธาเกิดวิริยะ เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเวลาที่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละครั้งนี้จิตใจเหมือนกับเป็นปลาได้น้ำกระปี้กระเปล่ามีกำลังจิตกำลังใจที่จะแหวกว่ายที่จะปฏิบัติทำต่อไปอย่างไม่ยอ่ออย่างไม่ท้อถอยตาเวลา ถูกจับขึ้นมาอยู่บนบกนี่มันจะไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่พอมันลงไปในน้นํานี่มันก็จะเกิดกําลังขึ้นมาแหวกว่ายไปตามสถานที่ต่างๆในน้ําได้ฉันใดจิตใจของพวกเราถ้าอยู่ห่างธรรมก็เหมือนปลาที่อยู่ห่างน้ําอยู่ไกลน้ําังั้นเราต้องอย่าอยู่ห่างธรรมต้องพยายามฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ สมัยก่อนนี้ก็ฟังได้เพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะไม่มีสื่อบันทึกทรรมไว้เวลาจะฟังธรรมนี้ต้องไปวัดกันและก็จะไปได้เฉพาะวันที่ไม่ต้องทำงานสมัยโบราณเขาจะมีวันหยุดในวันพระกันวันพระถือว่าเป็นหยุดเป็นวันหยุดไม่ทำงานกันเป็นวันเข้าวัดเพื่อที่จะได้เข้าฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่จะได้ สร้างกำลังใจสร้างศรัทธาวิริยะสติปัญญาให้แก่จิตใจเพื่อที่จะได้ผลักดันจิตใจให้ปฏิบัติ ร, รมของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นให้สูงขึ้นไปตามลำดับแต่สมัยนี้พวกเราโชคดีเราไม่ต้องรอวันพระถึงจะได้ไปฟังธรรมเพราะเดี๋ยวนี้เรามีธรรมเต็มอยู่รอบตัวเรา มีสื่อต่างๆหลากหลายที่เราสามารถที่จะติดตามได้ตลอดเวลาขอให้เราฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็จะเกิดสติปัญญาความรู้ความฉลาดตาในจะค่อยๆเปิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยพอเห็นอะไรแล้วก็จะเกิดวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะเห็นว่า ได้ประโยชน์มากจากการได้ปฏิบัตินั่นเองการได้ยินได้ฟังนี้เป็นเหมือนกา ร, การเป็นการจุดชนวนยังไม่ได้เป็นการที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดกำลังใจแล้วเกิดสติปัญญาเกิดวิริยะอุตสาหะเกิดศรัทธาแล้วทีนี้ก็เราจะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติได้ ปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าที่กำลังปฏิบัติอยู่ได้ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆสลับกับการฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆก็จะพาให้ใจนี้จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดได้การฟังธรรมจึงเปรียบเหมือนกับการเจาะแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันให้แก่รถยนต์รถยนต์เวลาวิ่งไปสักระยะหนึ่งน้มันก็จะหมด ถ้าไม่จอดแวะเติมน้ำมันรถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ใจก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเรื่อยเดี๋ยวน้ำมันของใจก็จะหมดกําลังใจจะหมดและเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายถ้าเกิดอาการอย่างนี้ก็ขอให้รู้ไว้ว่าตอนนี้น้ำมันใจหมดแล้วรีบเติมน้ำมันกันเถิดรีบฟังเทศฟังธรรมกัน แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วกำลังใจน้ำมันนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาที่จะผลักดันให้การปฏิบัติของเรานี้คืบหน้าต่อไปได้การฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญต่อการแสดงธรรมหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนี้ภารกิจของพระองค์ส่วนใหญ่นี้ จะพุ่งไปที่การสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกมีพุทธกิจอยู่ห้าข้อด้วยกันสข้อนี้เป็นการสั่งสอนธรรมะแก่สัตว์โลกเช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธาญาติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาตอน เชา้าก่อนที่จะทรงออกบินทบาทก็ทรงแหลงยานดูว่าผู้ใดเหมาะสมกับการที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์ในวันนั้นพระ อ, องค์ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นเพราะธรรมะนี่แหละที่จะเป็นน้ำมันที่จะพาให้จิตใจแต่ละดวงนั้นได้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม ของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้เลยดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการฟังเทศฟังธรรมอย่าให้ขาดจากใจเราไปเวลาใดที่เราเริ่มมีความท้อแท้เบื่อหน่ายเวลานั้นแสดงว่าเรากำลังขาดธรรมแล้ว เราควรที่จะฟังทำให้เป็นนิสัยอย่างน้อยวันละชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีมากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าไปมากจนกระทั่งขาดขวางการปฏิบัติเท่านั้นคือเราไม่ได้ฟังทำเพียงอย่างเดียวเราต้องการฟังทำเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อถ้าเราปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติไม่ถูกต้อง เวลาฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การฟังธรรมมีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์อย่างแรกก็คือให้กําลังใจให้เราได้ปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็ต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นการเหมือนดูแผนที่เวลาที่เราเดินทางไปในทิศทางที่เราไม่เคยไปเราต้องอาศัยแผนที่เราก็ต้องคอยเปิดตรวจ ด, ดูอยู่เรื่อยๆว่า ทางที่เราเดินนั้นเป็นไปตามที่แผนที่บอกไว้วหรือเปล่าถ้าไปอีกทางหนึ่งเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีจะได้ไม่เสียเวลามากจนเกินไปถ้าไม่มีไม่ดูแผนที่เลยดูหนเดียวแล้วก็คิดว่าจาได้ก็เดินทางไปเรื่อยๆก็อาจจะหลงทางได้นะนะคือการฟังธรรมฟังให้กำลังใจ ฟังเพื่อให้รู้ว่ากําลังเดินไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่การฟังธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นต่อธรรมทุกระดับจนถึงธรรมขั้นสูงสุดเลยถ้ามีธรรมคอยเป็นแผนที่นำทางแล้วโอกาสที่จะหลงทางหรือยะล่าช้าเสียเวลานี้จะมีจะไม่มีเลยจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่ถ้าในอยู่ในกรณีที่ไม่มีแผนที่อันนั้นก็ต้องอาศัยตาในาที่ได้เห็นแล้วคือถ้าเป็นพระสวสดาบันแล้วถ้าไม่ถ้ามาเกิดในชาติต่อไปแล้วไม่มีใครรู้ทางก็ต้องอาศัยตาในาของตนเองพาไปช้าหน่อยแต่ก็ถึงได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ายังมีพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์มีผู้รู้ คอยนำทางอยู่ก็ควรจะเกาะติดท่านผู้รู้นั่นไว้ให้ท่านนำพาเราไปจะง่ายกว่าและจะไม่ผิดพลาดจะไม่หลงทางนี่คือธรรมมันวิเศษของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสรับรู้เราควรที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และให้รีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนานเพราะไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเกิดเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเองตัวเราเองอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศสังคมที่เราอยู่อะไรจะเกิดขึ้นกับโลกที่เราอยู่นี้ มันเป็นอนิจจังทางนั้นมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทางนั้นอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เกิดสงครามขึ้นมาก็ได้เกิดความอดอยากขาดแคลนขึ้นมาก็ได้เกิดน้ําท่วมขึ้นมาก็ได้มันมีเหตุการณ์ทางธรรมชาติและทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเราจึงไม่ควรที่จะผัดวันประกันพรง ควรที่จะรีบฉ่วยโอกาสเสียตั้งแต่บัดนี้ไปมีเวลาว่างเมื่อไหร่ควรเข้าหาธรรมเมื่อ น, นั้นอย่างน้อยก็ขอให้ได้ฟังธรรมก็ยังดีเวลาฟังธรรมก็ขอให้นั่งเฉยๆจะดีกว่าฟังแล้วทําอะไรไปด้วยเพราะจะฟังไม่ได้ครบอัธรตจะฟังแบบได้ครึ่งๆกลางๆเพราะใจจะต้องแบ่งเป็นสอง อยู่กับงานที่ทำและอยู่กับการฟังทำไปประโยชน์ที่จะได้เต็มร้อยก็จะไม่ได้ก็จะได้เพียงห้าสิบแต่ถ้านั่งเฉยๆฟังนี้จะได้ประโยชน์หลายอย่างจะได้ฟังอย่างเต็มร้อยสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้ฟังอย่างเต็มร้อยสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราฟังอีกครั้งหนึ่งฟังบ่อยๆขึ้นเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป และเราจะสามารถกําจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้สามารถสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นภายในใจได้คือสามารถเปิดตาในให้ให้ลืมตาขึ้นมาได้นั่นเองความเห็นที่ถูกต้องคือสามมาทิฏฐินี้ก็คือตาหน่อยนี้เองเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะทาให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข นี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบกายไม่ทำอะไรวาจาไม่พูดอะไรใจไม่คิดอะไรให้จดจ่ออยู่กับกระแสธรรมที่เข้ามาสัมผัสรับรู้นี้เท่านั้นถ้าพิจารณาได้ก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิแก้ปัญหาแก้ความสังในสงสัยได้ ถ้าพิจารณาไม่ทันพิจารณาไม่ได้ถ้าจดจ่อฟังอยู่กับเสียงธรรมก็จะได้ความสงบได้สมาธิการฟังธรรมนี้ได้ประโยชน์สองอย่างขึ้นอยู่กับระดับจิตของผู้ฟังว่าอยู่ในระดับใดถ้าอยู่ในระดับของสมาธิยังไม่เข้าถึงขั้นปัญญายังพิจารณาปัญญาไม่เป็นก็จะได้ความสงบถ้าอยู่ในขั้นปัญญาพิจารณาเป็น เข้าใจถึงหลักเหตุผลที่ได้แสดงไว้ก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ตาในที่เปิดขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์ต่างๆจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราเริ่มต้นที่การฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเลยอย่ารอว่าต้องฟังให้จบพระไตรปิฎกก่อนต้องเรียนให้จบาบาลีขั้นประเรียน9ก้าก่อนแล้วค่อยออกปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่หลักของปริยัติปฏิบัติปฏิเวสหลักของปริยัติปฏิบัติปฏิเวสก็คือ ฟังเท่านี้ก็เอาส่วนที่เราได้ยินได้ฟังนี้เอาไปปฏิบัติก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่แล้วก็เอาไปเพิ่มปฏิบัติต่อไปทำอย่างนี้สลับไปสลับมาไม่ใช่เรียนให้จบพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยออกปฏิบัติพอเรียนจบพระไตรปิฎกพอจะไปปฏิบัติก็ลืมเสียแล้วจำไม่ได้แล้วเอาเท่าที่เราจำได้ก่อนตอนนี้เอาไปทำทานก่อนเอาไปรักษาศีลก่อน เอาไปนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อไปปฏิบัติไปเมื่อจิตก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับมันก็จะรู้เองว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อไปถ้าท่านไม่แสดงก็ถามได้พอถามท่านก็จะชี้แจงให้เราแล้วเราก็จะสามารถนําเอาไปปฏิบัติได้นี่คือหลักของปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ปริยัติก็คือการฟังธทรำรปฏิบัติก็คือนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติปฏิเวสก็คือผลก็จะเกิดขึ้นตามลําดับไม่ใช่เกิดทีเดียวทันทีทั้งหมดเลยไม่ใช่เรียนพระไตรปิฎกให้จบตู้ก่อนแล้วก็ออกไปปฏิบัติทีเดียวเพื่อที่จะบรรลุทีเดียวให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักของปริยัติปฏิบัติปฏิเวสปริยัติปฏิบัติปฏิเวสนี้อยู่ที่การตามขั้นไป ขั้นทานก็ทําไปขั้นศีลก็ทําไปขั้นภาวนาก็ทําไปผลที่เกิดจากขั้นทานก็จะปรากฏขึ้นผลที่เกิดจากขั้นศีลก็จะปรากฏขึ้นผลที่เกิดจากขั้นภาวนาก็จะเกิดขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าเป็นไก่ได้พลอยจงให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอน ว่าเป็นเพชรนินจินดาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราอย่าเขลียดทิ้งไปแล้วไปเอาตัวหนอนตัวนอนพวกของพวกเราคืออะไรก็คือราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้เองเราควรที่จะเปลี่ยนอาหารได้แล้วอย่าไปกินตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินเพชรนินจินดาดีกว่า เอาเพชรนินจินดามาเป็นสมบัติดีกว่าเพราะเป็นสมบัติที่ยั่งยืนกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนและสามารถที่จะเอาไปซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนได้อย่างมากมายก่กลกองจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์และพยายามเข้าหาศึกษาและปฏิบัติไปจนกว่า ชีวิตจะหาไม่รับรองได้ว่าเราจะต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งในภพนี้ชาตินี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปป้าเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทันะระโสยทามณิโจติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจงวุฒาปจายโนจตตารุธรรมาวาทาติอายุวโนสุขังภาละ ต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความความประสงค์อยากจะถามปัญหาอะไรก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อจะได้ยินเสียงทั้งคำถามและคำตอบอย่างชัดเจนอาเชิญได้เลยครับนมรมาสการพระอาจารย์ครับก็ผม อ, อยากถามว่าก็คือ ตอนที่นั่งภาวนาอยู่ปรากฏว่ากับผมเป็นพระแล้วก็มีองค์หลวงตามหาบัวอยู่ด้วยแล้วก็มีพระต่างประเทศประมาณห7เจรูปแล้วก็องค์หลวงตาท่านไม่ได้พูดด้วยปากแล้วก็เป็นเป็นเสียงท่านพูดออกมา ว่าจะพากระผมไปรับพัดไตจีวรครับโอเคื อ, องค์หลวงตาท่านจะใส่จีวรเป็นสีเหมือนภาอาจารย์ใส่ตอนนี้นะครับแต่พวกกระผมใส่จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดอย่างนี้ครับแล้วทําไมลนะ่ะก็กระผมอยากทราบว่า ก็คือความหมายของนิมิตเป็นอย่างไรครับก็ต้องรอดูผลที่จะตามมาต่อไปเราอย่าไปคาดความหมายเพราะมันอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้ก็ขอให้เราพิจารณาว่าตอนสิ่งที่เราได้เห็นนี่มันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วถ้ามีอะไรที่เราควรจะได้ประโยชน์ก็ควรจะเอาเอามาทำให้เกิดประโยชน์ ถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรจากสิ่งที่เราเห็นได้ก็ปล่อยมันผ่านไปให้จิตเราตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ว่ากันอีกทีนั้นแล้วกับผมชอบฝันว่าตัวเองได้เป็นพระอยู่บ่อยๆอะครับก็นั่นนหะก็เป็นความฝนมันไม่ใช่เป็นความจริง ให้ดูความจริงถ้าอยากจะเป็นพระก็ต้องไปบวชฝันแล้วมันไม่ได้เป็นพระตอนฝันเป็นพระแต่พอออกจากฝันมันก็เป็นคราวาถ้าอยากจะเป็นพระเหมือนในเวลาที่เราฝันเราก็ต้องไปบวชแล้วก็อยู่แบบพระไปแล้วอีกประการหนึ่งก็คือดอกบัวที่กระผมเอามาถวายพระที่ห้อง ปกติดอกบัวผ่านไปหลายวันจะเหี่ยวแล้วก็ดอกมันจะตกลงไปข้างล่างจะหย่อนลงไปครับแล้วผมไม่ได้สวดมนประมาณผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึง่งนะครับแล้วขับมาสวดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าดอกบัวที่เหี่ยวๆกับชูชังขึ้นมาเหมือนเดิ ม, มครับก็ดีเสจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่ จเจ้าอะไรกับดอกบัวดอกบัวมันก็ดอกบัวเข้าใจไหมกิเลสมันไม่ได้ตายไปกับดอกบัวให้รู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปหลงอย่าไปาจินตนาการคาดเป็นเป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดให้ดูที่จิตเราอะไรจะเกิดขึ้นมันเกิดในใจเรามันไม่ได้เกิดที่ดอกบัวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้ให้ดูว่าตอนนี้ใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นก็พอ ถ้าทุกข์ก็หาวิธีดับมันเทานั้นแหละนี่คือการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ครับผมกลาวขอบพระคุณมากครับกับานักถการพระอาจารย์ครับอยากอสอบถามพระอาจารย์ว่าพระอาหารหันต์ที่นิพพานไปแล้วสามารถกลับมาที่โลงมนุษย์ได้ไหมครับก็กลับมาในสมาธิของผู้ที่ของมนุษย์ผู้ที่นั่งสมาธิได้ แต่ท่านไม่มีร่างกายแล้วท่านไม่มีเชื้อของภพชาติที่จะทำมาให้มีร่างกายได้แต่ใจของท่านไม่ได้ล่มสลายไปกับร่างกายใจของท่านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่ว่าเราสามารถจะติดต่อกับท่านได้หรือไม่บางท่านมีพลังสมาธิพลังจิตก็สามารถติดต่อได้อย่างหลวงปู่มัน่นท่านก็เล่า ว, ว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านก็มักจะมี พระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์มาสนทนาธรรมมาสนแสดงธรรมขอบพระคุณค่ะถามธรรมสการพระอาจารย์ค่ะจะเรียนถามว่ า, าการนั่งสมาธิเวลาหนูฝึกใหม่ๆอะค่ะมันจิตใจไม่ค่อยสงบนะคะแล้วเวลานั่งหลังมันไม่ค่อยตรง เป็นคนหลังค่อม น, นิดนึงนะคะคือถ้านั่งนี้มันจะมีส่วนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิไหมคะมีบ้างแต่ไม่มากเท่ากับสติส่วนที่มีความสำคัญต่อผลของการนั่งสมาธิก็คือสติถ้าสติเรามีน้อยใจก็จะสงบยากถ้าเรามีสติมากใจก็จะสงบง่าย ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้เราต้องเจริญสติให้มากๆไว้ก่อนเตรียมเครื่องมือไว้ก่อนสตินี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะมาควบคุมใจบังคับใจให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเครื่องมือที่เรามีมันมีน้อยกําลังไม่พอกับกําลังของกิเลสตัณหาที่คอยจะคอยปลุกให้ใจคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆก็จะนั่งแล้วก็จะไม่สงบ ส่วนเวลานั่งแล้วร่างกายมันจะงอบ้างเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียสมาธิกับการปรับท่านั่งของร่างกายมันจะทำให้ไม่สามารถทาใจให้เข้าสู่ความสงบได้เวลาเราเริ่มนั่งเราก็ตั้งตัวให้ตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็แล้วกันแต่ไม่ต้องไปเกรงตั้งให้มันตรงแบบสบายสบายอย่าไปเครียดจับร่างกายนั่งให้ตรงแล้วก็สบาย แล้วเราก็เข้ามาสู่การภาวนาเอาสตินี้มาควบคุมใจถ้าจะใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ปลายจมูกหรือดูที่กลางอกก็ได้จุดไหนที่เราเห็นลมได้ชัดเจนถ้ากลางอกมันก็แบบลมเข้า อ, อกมันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกอกมันก็จะยุบลงไป เราถึงมักจะใช้คำว่ายุคหนอพองเนอจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ขอให้เรารู้อยู่กับลมก็พอถ้าอยู่ถ้าดูที่ปลายจมูกก็ได้ตรงจุดที่ลมเข้าลมออกแต่ไม่ควรตามลมเข้าไม่ควรตามลมออกให้อยู่ที่จุดเดียวแล้วก็ให้รู้อยู่เรื่องลมอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปวิพากวิจารไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมไปเรื่อย ลมจะละเอียดก็ปล่อยให้ละเอียดไปลมยังหยาบอยู่ก็ให้รู้ไปอย่าไปปรับอย่าไปบังคับลมหายใจสั้นหายใจยาวก็เช่นเดียวกันถึงแม้ลมจะหายไปก็ไม่ต้องวิตกกังวลให้รู้ว่านลมหายไปแล้วอยู่กับความว่างไปอยู่กับผู้รู้ไปเท่านั้นก็พอแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบของมันเองแต่สถานที่ ท, ที่ที่ห้องมันไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่อะค่ะ ก็ต้องหาที่ท <mulheres> wow, ี่เงียบกว่านั้นต้องต้องทํางานนะคะไม่ค่อยมีเวลาไปแบบก็ลาออกจากงานนะไม่มีต้องหารายได้อยู่ค่ะก็ไปอยู่วัดไงวัดเขาก็ไปรับใช้วัดก็ได้แบบนี้พาระครอบครัวอยู่ค่ะพาอาจารย์ก็หยาบภาวนาก็แล้วกันขอบกลับขอบพระคุณค่ะมีข้ออ้างอะไรข้อก็อย่าไปภาวนาให้มันยุ่งยาก น้ัสการครัพระอาจารย์โยมปฏิบัตินะคะเคยทำแบบยุบหนอพองหนอก็เคยได้สมาธิก็สงบดีแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะคะแล้วทุกวันนี้ก็พยายามทําต่อเนื่องก็ปรากฏว่าในระหว่างทํานี่เราเราเร า, เราทำหน้าที่การงานด้วยมันก็เลยฟุ้งซ่านเนยอะก็ได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าให้ใช้เกสารมานะคะทันตาตะโจโยมก็ลองมาใช้ดูก็รู้สึกว่ามันสงบไม่ฟุ้ง นะคะทีนี้พอเราทําไปอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะมันภาวานามันหายแต่เรารู้จะเราจะรู้ลมอ่ะท่านเราจะรู้เหมือนว่าเราหายใจอยู่ถ้าแบบนี้โอเคไหมคะทำแบบนี้เปเรื่อง <ไป S 2> ก็ดูลมต่อไปแทนดูแล้วก็ไม่ต้องภาวานา<อ>ใช่ไหมใช่ให้มีให้เราดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ใจไปลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วบางทีพอเรารู้ลมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วคิดขึ้นมาอีกก็เลยกลับมาภาวานาอีกอย่างนี้ถูกไหมคะถ้ามันคิดก็ใช้ภาวานาหยุดมันก็ได้ ต, ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกขอไม่ประสงค์ออกนามการที่เราได้ฟังธรรมะและได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปชอบที่จะอยู่เงียบๆในที่ทำงานไม่ค่อยเข้าไปพูดคุยกับคนอื่นมากนะัก คุยเท่าที่จำเป็นอีกทั้งไม่ค่อยชอบออกไปนะัดทานข้าวเพราะรู้สึกเวลาเพื่อนบางกลุ่มคุยกันเรื่องทางโลกเช่นดูดวงหรือเสริมความงามแล้วเราไม่สนุกและไม่สนใจเหมือนเคยทั้งที่แต่ก่อนเป็นคนต้องออกข้างนอกตลอดทุกวันกลายเป็นคนพูดน้อยขึ้นเรื่อย จะคุยสนุกก็ต่อเมื่อมีคนชวนคุยเรื่องธรรมมะชอบอยู่บ้านเงียบๆคนเดียวเลิกดูทีวีฟังเพลงเปิดธรรมมะฟังบ่อยๆไม่ทราบว่าที่เราเป็นแบบนี้เป็นความผิดปกติไหมคะเพราะบางทีก็รู้สึกกังวลว่าเพื่อเราคงลดลงไปเรื่อยๆคะ่ะคือเป็นความผิดปกติกับ สังคมในโลกนี้เพราะคนที่อยู่ในสังคมในโลกนี้เขาจะชอบสนใจออกไปข้างนอกชอบสนใจออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผุดต่พะชอบสังคมชอบอะไรต่างๆภายนอกแต่ถ้าเราได้ภาวนาการภาวนานี้เป็นการดึงใจเข้าข้างในเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งพอใจได้พบกับความสุขในรูปแบบของความสงบ ก็จะเบื่อกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะไม่อยากจะออกไปข้างนอกไม่อยากจะไปยุ่งกับใครไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่เป็นธรรมชาติของใจที่สงบจะเป็นอย่างนี้จะว่าผิดปกติก็ผิดปกติจากคนที่ใจไม่สงบแต่ไม่ได้คำ ว, ว่าความว่าผิดปกตินี้เป็นคำเป็นสิ่งผิดปกติถ้าจะพูดความจริงแล้วเป็นสิ่งปกติเป็นสิ่งที่ควรจะเป็น เป็นธรรมชาติของใจที่ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะเป็นสภาพที่ให้ความสุขกับใจอย่างแท้จริงสภาพที่ต้องออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปคิดปุงแต่งไปทำอะไรต่างๆนี้เป็นสภาพของการออกไปหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุขดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องทำใจให้สงบแล้วต้องยอมรับว่าเรานี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้ว แล้วนะถ้าเป็นมากๆเราอาจจะต้องเปลี่ยนสังคมจากสังคมคนในบ้านในเมืองก็ต้องเป็นสังคมของคนในวัดไปไปอยู่วัดต่อไปคำถามต่อไปจากคุณกนกศรีความอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นบุญชนิดหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรคะเพราะทาให้เป็นคนที่น่ารักคนที่เขาไม่มีใครรังเกียจ คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะเป็นคนที่มีคนที่ยินดีที่จะสนับสนุนดูแลช่วยเหลือต่างกับคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคนที่สังคมมักจะรังเกียจเบื่อหน่ายเราเป็นมนุษย์ที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือเราจะได้รับความช่วยเหลืออย่างง่ายดายอย่างมากมาย แต่ถ้าเราเป็นคนอดแบ่งอดเกง่งอดรู้อดดีนี่ไม่มีใครเขาอยากจะช่วยในเมื่อเราเก่งแล้วแล้วก็ต้องมาให้เขาช่วยทำไมคำถามต่อไปจากคุณนัทวัตอยากให้พระอาจารย์ช่วยพูดถึงรายละเอียดของศีลห้าในแต่ละข้อว่าทำอะไรถึงจะผิดศีลเพื่อที่จะได้เป็นข้อปฏิบัติ เพื่อให้การรักษาศีลห้าเป็นไปอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นศีลข้อหไม่ดื่มของมืนเมาแต่ถ้าเราซื้อของมืนเมาให้ผู้อื่นหรือมีคนฝากซื้อของมืนเมาแล้วเราซื้อให้ถือว่าผิดศีลข้อหไหมครับไม่ผิดครับเพราะศีลข้อ5้าต้องบริโภคของมืนเมาถึงจะผิดเพียงแต่ว่าเป็นกิจไม่ควรจะกระทา เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทำผิดศีลการกระทําของเราไม่ควรที่จะทําเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นเขากระทาผิดตัวเราไม่ผิดแต่การกระทําของเรานี้ไปส่งเสริมให้คนอื่นเขาทาผิดซึ่งมันก็ไม่ดีเช่นขายสุรายาเมาอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าถึงแม้เราไม่ได้ดื่มเองแต่เราก็ส่งเสริมให้คนอื่นเขาได้ดื่มพอเขาดื่มแล้วเขาก็ทําผิดศีลแล้วเขาก็จะไปทํา สิ่งที่เสียหายตามมาต่อไปทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นเขาถามต่อว่าและศีลข้อสไม่ประพฤติผิดในการมถ้าเราไปดูหนังหรือภาพรามกอนาจารจะถือว่าผิดศีลข้อสามไหมครับก็มันต้องเสพการมไงม่ต้องร่วมหลับนอนกับผู้ผู้อื่นและผู้ที่เราร่วมหลับนอนนี้ไม่ได้เป็นสามีหรือภรรยาของเรา ถ้าเราอยากจะเสบการให้ถูกต้องตามหลักของศีลก็า ส, สารนี้ก็ต้องมีการสู่ข อ, อกันมีการทําพิธีวิวาเป็นการที่ยอมรับของครอบครัวทั้งสองฝ่ายของบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายถึงจะเรียกว่าไม่ผิดประเวณีคําว่าประเวณีก็คือประเพณีนั้นประเพณีแต่ละสังคมอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าเราไปอยู่ในสังคมของศาสนาอิสลามเขาประเพณีของเขาก็อนิยาตให้มีภรรยาได้สามคนอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดประเพณีไม่ผิดประเพณีหมดคำถามจากทางบ้านแล้วค่ะหลวงพ่อหมดแล้วทางนี้มีใครอยากจะถามต่อยั้ไอ่ามีเข้ามาหน่อยจะทุกขค่ะหลวงพ่อ คือมีวันหนางหนูเดินจงกรมอะค่ะประมาณสิบนาทีขวาพูดซ้ายโทวขวาพูดซ้ายโทพอทีนี้หนูก็กําหนดดูกระดูกหนูตั้งแต่นิ้วเท้าขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาจนถึงกระโหลกศีรษะแล้วก็ลงมาตรงเบ้าตาแล้วก็ลงมาถึงหน้าอกพอถึงซี่โคงมันจะมีอาการจืดเข้าไปอะค่ะทีนี้หนูก็เลยก็เลยเหมือนเขาถามว่ามีแค่นี้เหรอหนูก็เลยว่าไม่แค่นี้แหละเจ้าอะไรล่ะ หนูก็เลยว่าถ้าไม่กลัวเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องช่วยกันหนูพูดกัเขาอย่างเงี้ยค่ะต้องช่วยกันทําความเพียร น, นะคะทีนี้การยกซ้อนยกอะไรเหมือนเขาพาหนูทำหมหลวงพ่อตัวเบาเท้าเบายกไปยกมาแบบไม่เหนื่อยอะคะ่ะอืมอันนี้คืออะไรคะหลวงพ่อก็จิตมีพลังจิตมีความสงบจิตฆ่านิวรณได้คือความเกียจข้านความง่วงเหงาเหานอน ความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆพอไม่มีจิตมันก็จะมีพลังขึ้นมาเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอวเดินทั้งวันก็เดินได้เพราะว่า อ, าอใช่จิตมันสงบจิตเป็นกลางก็พยายามทำต่อไปอทำให้มากๆเนะอ ะ, อะ เห็นไหมการปฏิบัตินี้มันมีผลใช่ไหมพอเราได้ยินได้ฟังคนที่เขาปฏิบัติแล้วมาเล่าให้เราฟังนี่มันก็จะทําให้เราเกิดกําลังจิตกําลังใจขึ้นมาแต่ผลของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันเพราะจริตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันงั้นเราอย่าเร า, เราอย่าไปลอกเลียนแบบเขาทั้งทั้งดุลนพียแต่ให้เราเอาแบบของเราความเคล้นแบบของเราที่เราถนัดแล้วทําไปแต่ผลมันก็จะออกมาเหมือนกัน หลับรรมะสการอาจารย์พระอาจารย์อีกรอบครับก็คือตอนที่ผมนั่งอยู่แล้วรู้สึกว่ามันพุป่ไปแล้วเหมือนกับตัวกับผมจะออกมาดูตัวตัวเองอยู่ข้างบนแล้วเหมือนกับสมาธิกับสติกับผมยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วเกิดความกลัวแล้วก็ตกใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมาก็เป็นตัวเองนั่งอยู่เหมือนเดิมครับอยากให้พระอาจารย์ ช่วยให้ทํำยังไงครับที่จะทรงสติประมาที่ให้ดีกว่าเดิมก็ต้องฝึกสติให้มีกําลังมากขึ้นพอมีสติกําลังมากขึ้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมาในสมาธิก็จะเฉยได้จะสักแต่ว่ารู้ได้ถ้าไม่มีสติกําลังพอพอใจมันตกใจมันก็เลยเสียสมาธิไปก็ไม่เป็นไรก็เป็นการหัดขี่มา้ายังขี่ไม่ชํานาญก็ตกลงจากหมม้าได้ หัดขี่ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะชำนาญมันก็จะไม่ตกลงมาเองครับผมแต่พอจะเข้าไปเหมือนเดิมก็ไม่ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกก็อย่าไปอยากมันเป็นเหมือนเดิมมันมันไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะความอยากต้องเข้าไปด้วยสติต้องเจริญสติใหม่วิธีที่เรานั่งที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นเราลองกลับไปทาแบบนั้นใหม่แต่ไปนั่งเฉยๆแล้วบอกให้เป็นอย่างนั้นเหมือนเมื่อกี้นี้มันไม่เป็นแล้วขอบพระคุณครับ อ่ามาทางขวานี่หน่อยเก่าเนื้สวดเกาเนื้สการหลวงพ่อครับคือก็ไม่เชิงว่าเป็นคําถามครับแต่อยากให้หลวงพ่อช่วยแชร์ประสบการณ์ที่หลวงพ่อปฏิบัติที่ต่อสู้จนจิตรวมเป็นหนึ่งนะครับเรา<ง>ใช้เวลา น, านานแค่ไหนครับก็ไปอ่านหนังสือประวัติขอ ง, ง <c oughs> ออมหาเศรษถีที่แท้จรงิงเนี่ยพรมันยาวานื้สการหลวงพ่อคะ่ะ คือถ้ามีคนป่วยอยู่คนหนึ่งที่เขาปกติก็คือปฏิบัติธรรมอะคะ่ะก็เป็นปกติแต่มาวันหนึ่งคือร่างกายเจ็บป่วยอะคะ่ะแล้วก็พอหลังจากเจ็บป่วยแล้วก็มีจิตใจที่ท้อแท้ซึ่งซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เหมือนเบื่อหน่ายแต่ไม่ใช่เป็นการเบื่อหน่ายทางโลกโดยแบบเหมือนระกิเลตอะคะ่ะตรงนี้อยากกลับให้พระอาจารย์ช่วย ให้รรม้ตรงนี้แก่คือแก่แก่เคสนี้ด้วยค่ะก็มีสองวิธีคือถ้าเราไม่มีรรม้เราก็ต้องอย่างที่เทศวันนี้ไปฟังเทศฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยน้องเทศของน้องตาที่สอนคุณเผาพงาที่เรียกว่าทมชุดเตรียมพร้อมนี้มีอยู่ประมาณเก้าสิบกว่ากันด้วยกันมีหนังสือมีซีดี ไปหาดูหาในเน็ตก็ได้ใส่ทาชุดเตรียมพร้อมเข้าไปแล้วท่านจะสอนวิธีปฏิบัติกับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรารู้จักวิธีเรานำมาปฏิบัติเราก็จะหายจากการท้อแท้ที่เราท้อแท้เพราะเราไม่รู้จะสู้กับมันอย่างไรสู้ผิดวิธีสู้ด้วยความอยากอยากให้มันหายถ้ายิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งทุกข์ใหญ่วิธีสู้กับมันนี้ไม่ได้สู้เพื่อให้มันหาย สู้เพื่อสอนใจให้ยอมรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะได้ไม่เครียดไม่ทุกข์กับมันแล้วจะอยู่กับมันได้นะถ้าไม่มีธรรมะถ้าเคยถ้าเคยปฏิบัติจเจริญสติเป็นก็ให้การใช้การจเจริญสติไปก็ได้อย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันทั้งคืนนั่งเดินนั่งเดินยืนนั่งนอนทำอะไรก็ให้อยู่กับพุทธโธไป อย่าไปคิดถึงความเจ็บไายได้ป่วยอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันไปตามเรื่องของมันรักษาใจด้วยพุโทโธไปใจก็จะกลับมีพลังขึ้นมาจะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้คือเหมือนกับสภาพจิตใจเหมือนกับเขาไม่เบื่อหน่ายค่ะพนั น, น, นละก็อย่าไปสนใจความเบื่อหน่ายให้ให้กลับมากินยาคือสติตนนี้ขาดยา คนไข้าขาดยาก็เลยเกิดอาการเบื่อหน่ายขึ้นมาพอกินยาสติเข้าไปทักพักเดี๋ยวความเบื่อหน่ายก็จะหายไปแล้วก็ฟังชุดธรรมชาตินั้นนะคะขอบคุณค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะนับถอยหลังวานะอา แม่เข้าใจหรือยังนะนั่งนำไปปฏิบัติถ้าทำอะไรไม่ได้ก็พูดโทรไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายถ้าจะคิดก็้คิดแบบพระเจ้าว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแม่เป็นโรหิชเออ เกี่ยวกับอเอาทางแพทย์นะ่แหละไม่บว่าแบบคิดมากอะไรแับเอ๊ะไม่ไม่คิดอะไรดูดก็เปลงขึ้นมาอย่างนี้นัสส่ไไนแลไไหละมันมันอาจจะไม่ได้คิดอะมันเพลงแต่มันมันมันปฏิศศเสธไงมันอา่ามันท้อแท้เบื่อหน่อยเพราะไม่สามารถ Uh สวดมนต์ธรรมะก็ไม่ฟางหันหลังให้ยืดยืดเลยใต้องกลับไปใหม่กลับไปหาธรรมะใหม่แล้ก็สวดมนต์ก็ไม่ออกเสียงก็ไม่ได้ก็มีกินก็ก็อยู่ในใจก็โอเคในใจได้เให้มันอยู่ในใจก็พอสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ถ้าใจสงบแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแรกก็ฟังลูกพูดเอ๊ะคิดใครม่คิดเราเฟ like ังมาไใช่หรือไง เมอกเนี่ยนี่ะเขาก็ได้เขาก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงไได้เชนก็เครประวัติของผู้อาจารย์เหมือนกันลู้ข้ไปว่าไอ่านบ้างได้ฟังบ้างมีมีหลายอาจารย์เสร็จแล้วก็ก็เลยก็เลยได้มาทารังนี้เละก็เลยที่อกวั น, ว, นวันที่มาก็ยังเดินเซย์อยู่วันที่คนจีนเดียไปช ว, นะ <c oughs> วันวันวันที่ไปเทีย่ยวตลาดน้าเอ๊ะ แต่ไมรอหรือเปล่าลูกบอกว่าแม่เดินตรงตรงเพราะว่าเราเดินตรงแล้วนะเช้าก็มาทำบุญมาพอพอพอรู้ว่าได้ได้มาจิตใจก็จิตใจนั่งอยู่แล้วอ้เราทำบุญอย่มันมันมาอยู่แล้วพยายามอัดธรรมะเข้าไปในใจเรื่อยๆพอลูกบอกว่าหน้าตาดีกว่าวันก็ดี แสดงว่าได้ธรรมะเข้าไปเอีนะอะนะดีธรรมะโอสถนี่เป็นยารักษาใจยย่าาาากกกมมมดเเเออออคลววัันีีขใสุ อทําอะไรนะทําไปเรื่ อ, อยๆตอนหลังไปไปมาไม่พูดเลยญาติที่น้องตกใจกันคือเหงาเด็กทนกันเป็นว่าเป็นแล้วเป็นมากแล้วถ้าเราสงบไม่พูดใครก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครก็จะคิดอะไรก็ไม่เป็นเรื่องไม่ไม่ใช่เป็นไ ม, ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราสงบมีความสุขไม่อยากจะคุยกับใครก็ได้แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คนที่จะ พิจารณาดูว่ามันมันเราทุกข์หรือเปล่าถ้าเราทุกข์แล้วไม่อยากจะคุยกับใครนี้ก็เป็นปัญหาต้องแก้ให้ได้แก้ที่ความทุกข์นั้นอา่อ า, อา <laughs> ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ